น, นี้ผมอยากะนะจะเรียนถามน่าถึงเรื่องเกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุนะครือทราบว่าเมื่อสมัยต้นๆที่หลวงพ่อท่านมาอยู่ที่วัดตักน้ำนะท่านเคยพยายามที่จ ะ, ะทดลองวิธีการเล่นแร่แปรธาตุต่างๆและคุน้าก็าได้ร่วมมือในการทดลองนั้นด้วยและก็ทราบว่าเป็นผลขนาดกัดกฏอยู่อะอย่างนี้นะ คือหมายความว่าสภาพแปรผันแปลไปแล้ว่ได้ผลตสงความศาสนาคือกลายเป็ต้องทำร้อยเปอรเซ็นนี่นะอันนี้ผมอยากจะเรียนถามว่าเริ่มต้นมาอย่างไรหลวงพอ่อเคยอทดลองมาก่อนที่จะมาอยู่วัดปกน้ํานี่เรียกว่าพึ่งมาดําเนินทดลองก่อนอยู่ว่าจากน้ำเป็นเคยทดลองมาก่อนก็ยังไม่เคยเป็นเคยทดลองมาก่อนแต่ยังไม่เป็นไม่ใช่ก่อนที่มาอยู่วัดปากน้ำนี่นะครับ แล้วตอนมาอยู่วัดบางน้ำระยะต้นๆเป็นไงต้นๆท่านไปยังไม่ได้คิดจะทําก็มีพวกที่เขาเป็นอาจารย์เขาก็โม่คนนํานําเป็นอยู่นี่ทำเป็นท่านก็มาทดลองในทําที่มีวัดอยู่ออทดลองมันก็ลงท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้ผลเลยไม่เป็น<อ>แล้วทราบว่าครั้งหนึ่งท่านเคยทดลองได้ผลเลยไหอได้ผลมันได้ยี้ยแต่มันไม่ได้เป<อ>็นนิพส์อเรื่องของแบบของหมื่นชัน มื่นชันเน่เขาคอยสายคอยว้าเนี่ยมาเผาไฟใช้เป็น้าทองแดงเลยเนี่ยเอาเอาเอาสายเป็้าทงแงแค่แนี่นะครแค่แ่นี่เอามาเอาไฟเผาไฟแล้วก็มาแช่ในน้าส้มเอาไฟแล้วมาแช่ในน้้มเอาไเไม่ได้อยู่ในน้ำส้มเลยับเอามาใส่เบาาเอามาใส่เบ้าแล้วก็น้ำผสมทองอาดอัดทั้งหมดสุกที่แรกแล้วก็ได้ เบาหนือเราอุ่นหนสองหุนงน่นอยู่ใช่แล้บริสุทธิ์บริสุทธิ์นะฮะบริสุทธิรร์ธรรธธอ๋อไม่ทําไปทําไปมันไม่ได้คันี่ไป อ, อ, อ, อ้ที่ได้ได้นั่นถ้าเราคิดเป็นอมูลค่าของไอ้ใดด้านมัตถุหรือว่าแรงงานนี่มันจะคุ้มกันในกับผลอ่ที่ได้ถ้ามันได้เบาแล้วหุ้นต้องอุ่นคุ้มกันคุ้มกันนะฮะอุ่มอ๋อนั่นเองมันไม่ได้ทําไปทําไปมันไม่ได้ ไอ้ที่ไม่ได้เป็นก็อะไรเพราะเราทําไม่ถูกควนมันหรือว่าเป็นก็ถูกควนแบบนั้นเนี่ยทาแรบเก่านะ <c oughs> แต่ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ที่ได้อยู่หลายครั้งนหฮะไดอยู่พอเราห้าหกครั้งแล้วมันรวมๆกันเป็นก้อนใหญ่ก็ไม่รวมเอาไว้ทุกครั้งหนึ่อก็ว่าเป็นก้อนกหญ่โคตรใหญ่น่าทวายอ๋อแล้วเปอร์เซน็นเหมือนกันไหฮะเปอร์เซ็นเหมือนกันเห <c oughs> มือนกันเนื้อเท่าเลยเนื้อเท่ากันโดยสุดเ ป, เ, เ, เป็นทองคําเหลืองอย่างนี้หรือว่าลองเป็นทองคำขาว ที่ได้ผลทองคำเหเป็นทองคำเหลืองนะอ๋อก็หมายความว่าเอารวดทองแดงรวดไฟฟ้านี่นะฮะเอามาแช่เอาน้ําต้มไปเอามาเร้าไปนะฮะแเอามาแช่น้ําต้มแช่น้ําต้มแชลงไปในน้ําต้มแห่สนิมยึนเอาสนิมเมื่อที่มันลงไปอยู่ในน้ำต้มนั่นแล้วเอาให้สนิมนั่นเอามาใส่เหลาแล้วแล้วเนื้อนั่นต้องให้เนื้อนั้นจุ่ยเป็นสนิมหมดใช่นะมครับในเนื้อนั้นเป็นสนิมหมดใช่ไหมค้ัสายทองแดงนัาก็คงทีอยู่นะ แล้วมันก็ค่อยๆก่อนไปเรน้อยๆันเรื่อยๆมันจะหมดทุมือนก็ตามใจเอาเอาเฉพาเสาเอาเฉพาะสนิทส่วนไอ้เนื้อไม่ต้องคํานึงถึงไม่ทำหนึ่งเอาสนินนั่นมามาใส่เบ้าใส่เบาแล้วนั่งกระสนทองหัดเข้าไปแล้วก็มาสุกทีนี้ไอ้ส่วนของสนินนั่นนะมีส่วนเท่าไหร่ที่น้าปลาตอนทองมีเท่าไหร่มี่สิส่วนนไหมครับเราเคยทดลองเราพอเบานึงก็จะใส่เบ้าแล้ว ก็จะเบาหลัขนาดเท่าไหร่ขนาดมัก็หนักคือเราเราเต็มเบานะก็เราเ้อสองบาทก็ได้นเราต้องบาอ๋ออล่ด้ครับแต่เบ้าที่เรียกว่าเบ้าหลักเนี่ยสูงเท่าไหร่และกว้างเท่าไหร่สูงเราเราสองนิ้วุแล้วก็กว้างเราเรา้ผ่า่าถึงกลางภายในคะฮขึ้นขึ้นนิ้วนะฮะสองนิ้วนะอ๋อเรียกว่าเบ้าหลักนะฮะอ๋อหันอาจจะนี้ยไป ใส่ให้เต็ม้เลยเต็มเลยแลวเอาน้ำมาสอทองเท่าไหร่เรื่องสอนทองก็หนักค่อยๆปิดปากบ้ามิดปิดปากบ้ามิเท่านั้นนะไม่ต้องมากไม่ต้องมกอ๋อแล้วก็ตุบตุไปจนละลายจนจนละลายหมดคนนี้ไอ้เส้นนิ้มก็ไปหมดเสนน้ไปหมดไปหมดหลือแต่เนื้อหรือแต่เนื้อันนี้เนื้อน่นก็เหลือมทองคำอยู่ก้นเบา อ๋อไม่มีไม่มียาสักอื่นใช่ไมครัไม่มีอ๋อนี่แปลก ด, ดีแปลก ด, ดีแล้วผมจําได้ที่อย่างหนึ่งที่ว่าท่านเคยทําได้ทดลองได้แล้วเป็นทองคําขาวนะฮะ<ม>แพงใหญ่แล้วก็ถูกลูกติเ่ดขโมยไปเนี่ยนะอันนี้คุณน้าก็จําได้นะฮะจำจำได้ไงแล้วฮะคือ <laughs> จําได้ว่าทาแล้วก็เป็นเป็นทองคําขาวนะฮะดูเหมือนตอนตอนนั้นเลยคุณน้าไล่ผมไป